ตอนที่สาสองถูกตบหน้าฉาดใหญ่จอกแจ๊กจ่อกันไม่จบไม่สิ้นหรือไงน้องชายของหลิวเคอเคอแค้นเสียงอย่างรำคาญวันนี้แดดแรงพอมองเห็นพวกเขายังทะเลาะกันไม่เลิกราก็รู้สึกหงุดหงิดใจนักไม่ทะเลาะแล้วไม่ทะเลาะแล้วหลิวเคอเคอมองเขาด้วยความรักใคร่ไม่รู้ว่าเจ้าสอบเป็นอย่างไรบ้างเจ้าต้องพยายามสร้างชื่อเสียงให้ได้นะเมื่อถึงเวลาที่น้องชายของนางสอบติดมัธยมปลายส่วนคะแนนของหลี่หวานก็น้อยจนน่าเวทนา เมื่อนั้นเจียนเยียก็จะยิ่งมั่นใจว่าการหย่ากับหลีชิงผิงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและการแต่งกับนางต่างหากที่เป็นการเชิดหน้าชูตาบรรพบรุษในเมื่อพี่น้องของพวกนางล้วนยอดเยี่ยมเช่นนี้ลูกที่เกิดมาในอนาคตจะได้ได้อย่างไรกันเวลาผ่านไปทีละนาทีในไม่ช้าฝูงชนก็เริ่มเคลื่อนไหวอาจารย์ถูกนักเรียนและผู้ปกครองล้อมรอบเดินเข้ามาในมือถือรายชื่อคะแนนของทั้งโรงเรียนทุกคนอย่าเบียดกันทุกคนจะได้เห็นคะแนนแน่นอนหากมีสิ่งใดไม่เข้าใจสามารถสอบถามผมได้ในภายหลัง ท่ามกลางรายชื่อคะแนนของคนหลายร้อยคนที่เบียดเสียดกันเจิงหยุนฉงไม่ได้ให้พวกนางเข้าไปเขาตัวสูงและสายตาดีเพียงปลัดเดียวก็เห็นชื่อหลีหวานอยู่อันดับหนึ่งพร้อมคะแนนเต็มเจิงหยุนฉงเก็บนาความดีใจไว้ไม่อยู่หลีหวานถึงกับสอบได้คะแนนดีเช่นนี้เขาจึงรีบผันกลับมาบอกพวกนางทันทีเห็นแล้วหรือสอบเป็นอย่างไรบ้าง ลิชิงพิงถามอย่างอดทนทนไม่ไหวจากนั้นนางก็ลอบปลื้นน้ำลายมีชัว่านางไม่เชื่อใจลูกสาวทว่าลูกสาวไม่เคยเข้าเรียนแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าผลสอบจะออกมาเป็นอย่างไรนางก็ยอมรับได้ทั้งสิ้นที่หนึ่งเจ้างุนชงยกมือขึ้นตกไหล่หลีหว่านเบาๆหลีหวานสอบได้อันดับหนึ่งคะแนนเต็มห้าห้าเก่งจริงๆแย่ารู้ว่าหลานสาวของแย่เก่งที่สุดเจ้าชุนฮวาตกมือด้วยความดีใจพลางโอบไหล่หลีหวานไว้วันนี้มื้อเที่ยไม่ต้องทำกับข้าวแล้ว พวกเราทั้งครอบครัวไปฉลองที่ร้านอาหารกันเถอะหลิวหวานไม่ได้แปลกใจนักข้อสอบถือว่าค่อนข้างง่ายสําหรับนางทางด้านหลิวเคอเคอกับโจเจียนเยีย e, หลังจากดูคะแนนเสร็จสีหน้าของทั้งคู่ก็ดูไม่สู้ดีนักอันดับรั้งท้ายสิบกว่าคนของชั้นปีคะแนนเพียงเท่านี้อย่าว่าแต่โรงเรียนมัธยมปลายชื่อดังเลยแม้แต่โรงเรียนมัธยมปลายทั่วไปก็คงไม่มีใครรับหากเข้าเรียนมัธยมปลายไม่ได้ก็หมายความว่าต้องไปเรียนวิชาชีพเพื่อเข้าสู่สังคมและหาเงินล่วงหน้า ลิวเคอเคอรน้าเสียนางไม่มีกะจิตกระใจจะด่าน้องชายแต่ก็ไม่ลืมที่จะเยาะเย้ยหลีชิงผิงเมื่อครูฉันไม่เห็นชื่อลูกสาวเธอเลยดูท่าคะแนนคงจะน้อยเกินไปอาจารย์เขาเลยไม่กล้าเขียนลงไปกระมังหลีชิงผิงรบกวนเธอช่วยใช้สมองคิดบ้างหลีหวานไม่เคยเข้าเรียนแม้แต่วันเดียวการมาสอบโดยตรงเช่นนี้มันช่างขายหน้าสิ้นดีขนาดน้องชายของเคอเคอร์ยังสอบได้ไม่ดีฉันว่าเ ย, ยเด็กนั่นคงได้ศูนยคะแนนแน่แนโจวเจี้ยนเย่ยตาหนิอย่างไม่สบอารมณ์ ลิชิงผิงมองคนทั้งสองตรงหน้าแล้เชิดหน้าขึ้นใครบอกว่าลูกสาวชันได้สูญคะแน น, นลูกสาวฉันได้คะแนนเต็มต่างหากคะแนนเต็มห้าห้ากลางวันแสกบ ก, ก็เริ่มฝันกลางวันเสียแล้วช่างหน้าขันนักไายชื่อคะแนนก็ติดประกาศออกมาแล้วหากไม่มีชื่อลูกสาวเธอมันยังไม่ชัดเจนพออีกหรือหลิวเคอเ ค, อ, เคอไม่เชื่อนางถากถางด้วยน้ำเสียงประชดประชันไม่เป็นไรหรอกเพราะอัจฉริยะบนโลกนี้มีเพียงส่วนน้อยทางที่ดีควรจะเจียมเนื้อเจียมตัว เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นประถมหนึ่งเพื่อวางหลักฐานให้ดีจะดีกว่านะลีชิงพิงคิดในใจอัจฉริยะส่วนน้อยงั้นหรือเฮลูกสาวของนางนี่แหละคือคนส่วนน้อยที่ว่านั่นลีหวานเห็นว่าทั้งสองคนเอาแต่จ้องมองอันดับท้ายๆโดยไม่ได้มองอันดับต้นๆเลยเจ้าชุนฮววมองคนทั้งสองในตอนนี้ด้วยสายตาที่ไม่ต่างจากการมองคนโง่คุณแม่ของลีหวาน ในขณะนั้นเองอาจารย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามที่เคยพาหลีหวันมาโรงเรียนครั้งก่อนก็เดินเข้ามาทักทายแม่ลูกคู่นี้ผมยิ่งคิดอยู่เลยว่าหากวันนี้พวกคุณไม่มาผมจะไปหาที่บ้านเพื่อแจ้งข่าวให้ทราบเสียหน่อยอาจารย์มองหลีหวันด้วยสายตาชื่นชมเด็กคนนี้ช่างฉลาดเหลือเกินตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาพวกเขาไม่เคยมีใครสอบได้คะแนนเต็มเช่นนี้มาก่อนหากไม่มีอะไรผิดพลาดหลีหวนันคือจ้วงยวนการสอบเข้ามัธยมปลายของปีนี้ อันดับที่สองห่างจากอันดับที่1นึถึงสิคะแนนเมื่อพิจารณาว่ามีผู้เข้าสอบทั้งเมืองอย่างน้อย2 0 0 0คนก็จะรู้ว่าคะแนนเต็มของหลีหว่านนั้นมีค่าเพียงใดจะว่าไปแล้วก็เป็นเพราะโรงเรียนของพวกเขามีโชคดีที่จ้วงหยวนการสอบเข้ามัธยมปลายเดินมหาถึงที่คราวนี้โรงเรียนของพวกเขาก็พล่อยมีชื่อเสียงไปด้วย เมื่อมองดูนักเรียนหลีหวานที่มีใบหน้าหมดจดและดูเฉลียวฉลาดสอบเข้ามัธยมปลายได้เป็นช่วงหยวนในอนาคตการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยก็มีโอกาสที่จะคว้าตำแหน่งจ่วงหยวนการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยมาครองได้เช่นกันซึ่งนั่นหมายถึงอนาคตที่รุ่งโรยอาจารย์คิดเช่นนั้นพลางยิ้มแย้มหันไปมองอีกสองคนที่อยู่ข้างกายหลีชิงผิงท่านเหล่านี้คือนี่คือสามีของฉันกับคุณแม่สามีค้าหลีชิงผิงแนะนําสั้นๆอ่อเช่นนั้นก็คือคุณพ่อกับคุณย่าของนักเรียนหลีหวานนั่นเอง ต้องขอบอกเลยว่าการที่สามารถอบรมสั่งสอนลูกสาวให้ยอดเยี่ยมได้ถึงเพียงนี้พวกคุณที่เป็นพ่อไม่ย่อมต้องยอดเยี่ยมเช่นกันอาจารย์พูดใจอย่างสุภาพและให้เกียรติยิ่งนักสิบประโยคที่พูดออกมามีถึง9้าประโยคที่เป็นการชื่นชมหลีหวานเรื่องนี้ทำให้โจเจี้ยนเยี่ยวกับหลิวเคอเคอมันงงไปชั่วขณะพวกเขาทั้งสองจําได้แม่นยําว่าครั้งก่อนอาจารย์คนนี้และที่เป็นคนแนะนําให้หลิวรื้อรื้อลาออกเพื่อจะได้ไม่ไปขัดขวางการเรียนของนักเรียนคนอื่น ครั้งก่อนที่พบกันอาจารย์ยังทำหน้าบึ้งตึงวางท่าทางจองหองแต่ตอนนี้กับผู้จันอบน้อมกับพวกหลีชิงผิงโจวเจี้ยนเย่ยคิดไปว่าอาจารย์คนนี้คงจะรู้ฐานะของเจิ้งหยุนฉงจึงได้ประจบประแจงตามระษาคนเห็นแก่ได้อาจารย์ครับน้องชายของผมจะสอบได้คะแนนน้อยขนาดนี้ได้อย่างไรต้องเป็นเพราะอาจารย์ที่ตรวจข้อสอบทาผิดพลาดแน่ๆพวกเราขอตรวจสอบกระดาษคาตอบของน้องชายครับ ลิวเคอเคอพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดเดิมทีคะแนนที่รุ่ยรุ่ยสอบได้ควรจะสูงกว่านี้ครั้งนี้ถ้าไม่ใช่เพราะทำได้ไม่ดีก็ต้องเป็นเพราะอาจารย์ตรวจผิดแน่ๆการสอบเข้ามัธยมปลาย น, นั้นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเมืองกระดาษคำตอบของนักเรียนทุกคนอยู่ที่สำนักการศึกษาหากพวกคุณมีปัญหาใดสามารถไปขอดูได้โดยตรงอาจารย์พูดด้วยสีหน้าเย็นชาแต่ผมขอแนะนําว่าอย่าเสียแรงเปล่าเลยคะแนนของนักเรียนหลิวรุ่ยรุ่ยในช่วงครึ่งปีหลังของมัธยม3ลดลงมาโดยตลอด เขาได้คะแนนเท่านี้จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจผมว่าพวกคุณที่เป็นผู้ปกครองควรจะลองพิจารณาดูให้ดีว่าจะให้เขาเรียนซ้ําชั้นหรือมีแผนการอื่นอย่างไรชีวิตไม่ได้มีเพียงเส้นทางการเรียนเท่านั้นยังมีทางเลือกอื่นอีกมากมายอีกอย่างกระดาษคําตอบไม่ได้ตรวจโดยอาจารย์เพียงคนเดียวหลังจากอาจารย์คนแรกตรวจเสร็จอาจารย์อีกคนจะทําการตรวจสอบซ้ําโดยพื้นฐานแล้วจะไม่มีข้อผิดพลาดเมื่อผู้จบอาจารย์ก็เปลี่ยนสีหน้าจากที่เคร่งขรึมมาเป็นยิ้มแย้มเมื่อคุยกับหลีหวาน ลิวานจะต้องถูกรับเลือกเข้าโรงเรียนมัธยมปลายชื่อดังแน่นอนครูหวังว่าเธอจะพยายามต่อไปในชั้นมัธยมปลายเพื่อที่จะคว้าตำแหน่งจ้วงหรียญการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอีก3ปีข้างหน้ามาให้ได้ครูจะรอฟังข่าวดีของเธอนะขอบคุณค่ะอาจารย์หลิหวานวางตัวได้อย่างเรียบร้อยและมีนิสัยที่น่าเอ็นดูอีกทั้งยังมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมอาจารย์ทั้งหลายจึงพากันชื่นชอบนางอาจารย์คะคุณต้องเข้าใจผิดไปแน่แน่ลหวานไม่เคยเข้าเรียนแม้แต่วันเดียว นางจะมีสิทธิ์ไปเป็นจ้วงหยวนการสอบเข้ามาหาวิทยาลัย ไ, ได้อย่างไรกันหลิวเคอเคออุทานออกมาอย่างไม่เชื่อสายตานางเป็นจ้วงหยวนการสอบเข้ามัธยมปลายของปีนี้แถมยังได้คะแนนเต็มด้วยตั้งแต่ผมส อ, อนหนังสือมาสิบกว่าปีรวมถึงตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมานับ20กว่าปีผมยังไม่เคยได้ยินว่าใครสอบเข้ามาัธยมปลายได้คะแนนเต็มมาก่อนเลยอาจารย์พูดด้วยความภาคภูมิใจราวกับกําลังชมลูกหลานของตนเองหากนางไม่มีสิทธิ์เป็นจ้วงหยวนการสอบเข้ามาหาวิทยาลัย เช่นนั้นคนอื่นก็ยิ่งไม่มีสิทธิ์แล้วเดี๋ยวก่อนเหมือนจะมีบางอย่างไม่ถูกต้องหลีหวานคะแนนเต็มช่วงเหยินการสอบเข้ามัธยมปลายโจจี้นเย่ไม่อาจเชื่อมโยงคำเหล่านี้เข้ากับหลีหวานได้เลยจริงๆ